ย้อนกลับออกไปดูอีกทีอา้าจิตมันหลอนไม่มีเทวดาสักองค์เดียวมีหมาอยู่ตัวเดียวนะเนี่ยจิตมันหลอนเอาเนะชื่อไม่ได้หรือได้ยินเสียงบางคนภาวนาแล้วได้ยินเสียงเสียงอะไรตออะไรนะได้ยินอันโน้นได้ยินอันนี้พระบางองค์ยังเพี้ยนเลยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องได้ยินเสียงผู้ชายคลางอะไรได้ยินอย่างน้นอย่างนี้เนี่ยนิมิตเสียงนะอย่าไปใส่ใจ นี่มีกลิ่นนั่งๆอยู่นะได้กลิ่นศพได้กลิ่นโน้นได้กลิ่นนีนนนนะ้นี่ก็นี่มีกลิ่นนี่มีรสก็มีนะกินข้าวเปล่านะร้อยอร่อ ย, ออยนะอร่อยมากเลยแหมเหมือนกินของที่อร่อยที่สุดเลยนะนี่มีสัมผัสทางกายก็มนะีอย่างเรานั่งแล้วเมื่อยเต็มทีนะเมือม่อยเมื่อยเนะนั่งเหยียดขาออกไปนะมีความรู้สึกเหมือนคนมากดเส้นให้นะเห็นเนื้อเนี้ยบุ๋มลงไปเลยเนะนี้ยบุ๋มบุมลงไปนะแหมมันกดเก่งนะ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 เพราะสดดบัณ น, นะชีวิตมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกมากเลยไม่ต้องพูดถึงขนาดพระลหันซึ่งท่านหมดความยึดถือในกายในจิต เ, เมื่อกี้บอกแล้วว่าวิปัสสนาเบื้องต้นทาลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราว่ากายกับจิตเป็นตัวเรามีตัวเราในกายในจิตนี้มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากจิตนี้ตัวเราไม่มีในเบื้องปลายจะถอดถอนความยึดถือ